ท่านบอกอะไรกันองค์กษัตริย์บอกว่ า, วาถ้าหากว่าจาเป็นต้องเกิดอะไรการทั้งขางเาจะเป็นสองอย่างเอามันมีสิทธิสองอย่างอย่างพระอรุรถ้าหากวาเกิดเมื่ อ, อไรก็ ต, ตามคาว่าไม่มีอย่างใดราง เ, าเกียจพระเจ้าอาไม่ะไรต้องมีทุกอย่าง เ้าไม่งั้นเราขี้เกียจทำเนี้อะไรมัางยังไม่รู้จะหม้อขอมีได้น้อยไม่มีความรู้สึ ก, กว่าตุ้ยามรยัากาศเศรษฐีไม่มีที่เกีั้นตัวงเล่นเกลียังไม่ไหวนับปกีก่อนก่อนจะเรียงนับไม่ได้รับไปอันยังไงแครลูกหลังไปเดียวเดียวเนี่ยเงินห้าร้ลยเหรียญทองคำห้าร้อเกรียญช่วยโถโชาดีเป็นองคา เรแมว่าเราจรอเอาไปขายเอเนี้ยห ล, ลานนะมไม่หมดก็เอาใหม่เพรรวยาเกินไปสมาทากวา s าชมังชาซังขังจิเนหิเัังิอิาิเิาิัาังอริอภิ อาตโนันตภวาสุจีระริณีวัีอตอันเวาสุอิดีุัมมานสอิาาโัานะสกลีุตนากาภูตริันาต อ a ุภาคดีปร n ดังหิ a ายะจคาะสมมาสมวาภะคะวัสุวา ว่าคาโตภคุวะตาธรรมวันองค์นมัสฌานีลุปปาปิปโนภคุวะโตสาวะสัง อันนี้็พระยโมรษัททนายตั้ใจสมานสมตัสะภะคะวะโตอะระโตสามมห์จมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสมมมพุทธะน คุ็คหลวงพ่อหรือว่าตัวกแทนลกสิษย์ค่อมาสองีเสร็จแล้วนับว่จะเนุเมืองก็ต้องเป็นเป็นผู้ดีมาติดต่อั้งต่อสาจะทำบุญหนักาับหลวง่อแล้วก็คิดจะทำต่อไปโดยอาศัยลูกมีรถตัวอยู่ก็จะรับใช้หลวงพ่อแบบชนิดที่เรียกว่าสภาเป็นอย่างยิ่งแต่ดีจ่า อเกตุเตเนีตัะ้าตนนัมักจะมีเหตุแปลกๆนสมอมีอาจะต้องเสียเนเป็นหลายๆเป็นบ่อยไม่ทราบประมาณจะลองดีหรือว่ากรรมาจะตามมาหรือสัตยาธิรุ่ไม่ถูกต้องขอพเมีหลวงพ่อโปรดนะคับระควีแมเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ลูกสัตยาธรจังหวัทุก แระเทศนิทานนี้ตำนอ ง, องนท้องจองสบับนอกสบับในจริงก็ไม่มี อ, อะไรเป็นกรรมเก่ากรรมเก่านิดนิดน ะ, อะเอางี้ดิเวลาออกรถทุกครั้งจู่ๆบอกว่ามันผนะ่อไไนนะเอางี้กันเลยกันนะ ก็จะขาแม่นอะไรว่าไฟจับก็จะพันไม่ขาดจะเล่ามาแล้วอยากจะข้าเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยทำข้าวทำรักอะไรเนี่ยขอพูดมาเราก็จะเข้าใจขอให้๋ยวก็ด้วยอธิบไปกระจายพัฒน์เถิดเพื่อจะได้มีโอกาสไปใงานนี้ด้วยกันมันยอดมากเลย เราจะส่งการเข้าข้าวนี้ใช่ไหมข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวไม่ไปจำเป็นต้องไปหรอกซื้อต่อที่ยกทรงองค์ละห้าร้อบาทก็ได้ไม่ถูกจะไปหรือจะไปเลยเรื่องแบบนี้เราจะเล่าให้ฟังนะเมื่อสมัยน้องพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านทำท่าไปองค์หนึ่งเสะข้าว3เดือนเนี่ย อ布拉บอกว่าทำไหนอร่อยมากขนาดไหนกินเอาเอ้าเก็บแต่ว่าสําหรับที่ฉันนี่พระพุทธเจ้าจนบอกว่าทาแรกยังไม่ต้องกินข้าวกับข้าวที่ดีสุดประสมก่อนเสดเก็บนะก็ทําจริงๆสี่เดือนนะไปไหนก็ทํำหมายความว่าถ้าเราเอายังมาที่นี่ก่อนจะกินก็ต้องทําเก็บไว้เมืกัน ก็ทามาสี่เดือน3ามเดือนนี่จะขาดจนวันหนึ่งไม่ได้เลยโต้องีต้องต้องต้องใช่แล้วก็ผลจริงๆที่เคยปรากฏนะเจียมพ่อปานมันทำยู่ไหมทำแล้วก็ทำเป็นผงผสมไว้แล้วก็สร้างเป็นรูปตุ้งรูปเพ่ที่บูชาที่พระสวมนต์เวลาหลวงพ่อท่านไม่อยู่คนก็ไม่พลากับข้าวไปกิน ฉันก็ไปบูชาเท่ามันขอหม้อใหญ่ๆมาเลยที่ไปเล่นจริงๆนะน ม, ามาอีวันหนึ่งไปเล่นประจันมากหรือว่าน้องพ่อไปเขาบงประจันอีอตากรงักไปเยี่ยมของลงโรงงานต่อเรยนนะแก<ช>ก็นำแกงมาสามหม้อหม้อใหญ่ๆมาเลยจ้ะปรกว่าเขาไปถึงหน้าวัดฉันบูชาตรงคืนนี่นะ ฉัอดนะ้ามาค็มียีนพ่อไม่อยู่แล้วก็สายวัตรุตั้งอรงมาถึงมาถึงจอดแรือป๊มถามว่าพ่ออยู่ไหมเขาบอกไม่อยู่ไปเขาลงมาจันแกถอยหลังเรีอวเลยโ้ยยยานให้าแกแกล้ามากแม้บ่อรูต้นใหญ่แ ง, งกก่กัานฉันองเดีย ว, <c oughs> วปรากฏว่าไปรยนต์ถอยหลังไปสักนิดเดียวไปจับฟันซึ่งไ ม, ม่มันไม่มีตอเ่ยนะไปจับห ฉันเลยหมั่นแล้วสามหม้อเลยแล้วอยางแกแหกแล้วก็ไปช่วยต่อเรื่องแกนราหลงพ่อฟักลับมาตํารหวงก็มาไล่ตางบอกว่าผมเอาอาหารมาสบายที่บ้าหลวงพ่อยังอยู่หลพ่อไม่อยู่ก็บอกเขาไม่อยู่ก็เลยถอยหลังกลับจข้าวอาหากับบ้านจะไปจับไม่รู้วฟันอะไรอ่ะเพาพ่อฟันบอกที่นั่นมันไม่มีตอนว่าทำไมมีตอเขาาไมาจัะ ว่ก็เลยบอกว่าใครศรัาาทาไปจากตัวหักงเมื่อมาถึงวัดแล้วนะไปทำไมอะไ อ, อ, อคนจะไปมาหาเศรษฐีถอยหลังไม่ต้องกลายความไป็นมหาเศฐีมีที่ไหนอ๋อเจวาดาช่วยนะช่วยใครไม่ช่วยฉัน <laughs> ตามพองเลยโอ้โห ม, มั่งทำไมมีใจกินกินแกงไปจากรัน <laughs> <laughs> ไม่หายเราไม่ใส่<ล>ไม่มีโอกาสก็ไม่มีโอกาสสิแล้วก็ล่อธนพิษปะบุง้งเลยที่เป็นรพราะอาหาที่ว่าทาข้าวม้อหุก็ทานะก็นีเป็นทเทวดายายัย ง, างเพราะว่าถึงแม้ว่าพราะปันมาอยู่ข้าอยู่ในองค์เป็นสังฆานนะอ้เปสังทานเทวาดาผมจะยายังแกไวมุลใหญ่จะมีอยู่ด็ได้ ท่านน้เรื่องลวงปู่นะหวงพ่อหลงพ่อบราทำตามท่านเนี่ยเป็นก็ตึงอไรเมื่งเดรูวทำตามท่านแต่ว่าที่ทำตามท่านเราตเด็ไดรรมสั่งทำใช้ธรรมดอวะถึงวาระแล้วนะได้ทำก็แล้วกันต่อไปเข้าใจพวกนี้จะรวยกันใหญ่ เม่จหนักใจดิวัดข้าสุงอดีหารอยเบ็ดบัญญัิเล็กไปเก็บแบงไม่พอนี่มหนักใจใช่ใช่อตัวเองไม่มีที่เก็บอ่าเลยฝากธนาคารไว้ก่อนอ่าจังหวัาจบรก็อได้หรือเออเออถ้าถ้าไม่มีใครเอาหมดก็เหลือที่สองก็แล้วรบก็ไม่รู้ต้องไปถามปริษัทมีอะแก เาเป็นเขาเป็นคนจัดทำาม่ใช่ถ้าไหวก็ติดตาย่อน้าติองถ้าเขาไมนาว่าไปในงานนี้วันที่แต่งงานมีโอกาสได้ได้รับสองมีหรือเปล่าสองมีแล้วอาจะอยู่ที่ร้านเจ็ดก็ได้ เดี๋ยวถามมันเกันะลวลาเลยตาบีเปล่าวะไอ้ถามหลักมันสิมีแล้วเหรอนี่เขาหลักในวงมืีย่าต่อท้ายนะออกโลฟ้าแต่ฟ้ามีแล้วนิบ้าได้อรอปีสิบ้าได้สิบหกหกได้ีวดูนี่้ายอั้าม้าหอันมาที่สิบสี่เออ ได้ที่น้าเลยบุผู้ค้าไปบอกเล ถ้าไว้สงนะไปทั้งสอ้ยาไม่่้ย่าลบกย่าไมนเกี่ยวไอ้คนเดียวย่าไม่เกี่ยวโอ้ยแล้วทีนี้ก็อล้ไปซื้อใเกรนีนะบูชาเนี่ยอาบูชายังไม่เสียหายก็ไปซื้อนี่แล้วกันถ้าอยากจะได้จริงก็ไปจิตอกับพค้ขอซื้อท่านถ้าผมไม่คิดมากบาทสงบาท แ่อวริสงมันไม่นิสติเวลาถ้าบุญของสงมัจะขึ้นระดังไปสวัรชั้นที่สีที่ที่ห้าขโมยของสงขึ้นระจังลงอาวุีให้หัวสูงอ่าี่ตองบว่าทางนีบ้านคุณจะไปด่เอาเอาก็ห่อไปห่อไปไปบอกว่าท่านเผมเกบเกศทอมามานี้นะครับ จะขออยากจะเก็บระาบุชาจะเดียคาเท่าไรเอาถ้าบอกไม่ต้องมันต้องเป็นมันไม่มันต้องถ้าต้องก็ต้องไม่้าทำไดกาแ่แแต่ดีนะแค่ทาน้พอเรีนสบายถ้าทำดีดี้วพุรูธดีมากยิ้มเลมอไม่ได้บอกนะเฮ้ยงานลูกนี้ว่าต้องใหแก่ผมได้ทำดีกว่า ถ้าถึงโมเช้าไปบอกว่าเองผู้ภาคียัก่อนไปถามเจ้าของที่้วก่อนมุนมันจะเป็นมุญบาตก็เป็นบาตรนะไปแยกกันเลยหลังไม่อไรกวามไปนะตาตาไปลบล้างยอดสูงนั้งแต่ที่เราลบล้ากปด้วยเยอะ่นี่เป็นที่ตาลองฝันคนหญิงก็ไม่เป็นไร เพราะข้ามารีนี้เองไม่ทราบว่าลูกจะเอาไว้ตอนท้ายทางการตอนหัวหรือเอาไว้ตอนไหนดีล้วก็ถ้าใช้คนี้แล้วลูกจะมีผเพิ่มากเิมมากทไหก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเพ่หน้าิหน้าองจ่ายท่านโเิม ทัานบอกที่หลังถ้าบอกที่หลังต้องอยู่หน้าต่านต้องบอกเมื่อปีที่แล้วผมเร็วใช่ใชั่ชก็เป็นงานว่าลาสามสิบห แล้วปรากฏว่ามะเร็งหายกระตาหายโรคต่างๆหายไปหมดลูกก็เลยสงสัยอยากจมเพามหลวง่อว่าที่โรคต่างๆหายไปนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าการในท่านเป็นใจจริงแล้วหลูงพ่อท้องเย็นแล้วฉันกินแล้วมัหายก็เลยกันไม่งู้ต่อ ก็เรื่องานแต่าเยนหายหน้าดูนะใจใจทนนาะเราเรียนหาล้ัออใ่ไม่ร้ไมู่้เะเรารียาแล้นะนะเออเขา่าแม่ดใจแที่กำลังใจเขาดีัใจ่ตของโาณมตตัวตายเีย์ยิงแก้ไม่หมดนะ ยูบ้าจริงใช่ไหมตายยูบ้าตายย้าแล่อไงเมื่อเธอที่แล้วก็ลต้องยืนที่ไงานี่กมาแลวน่ารมอมาตายแ้เลตายตาย้่อกตัวแต่ตัวนี้แกตายยได้เัง ทุนีได้ทำบุคาคทุกอยงแล้วที่จอดดวงตาเค็พ่อแน่นําทุกอย่างทุกประการอาจจรับผไม่ในสมใจแต่จะถามคือว่าอยากจะเพิ่ตมอะไรเพื่อเป็นการผลเพาแก่พ่อลกและที่แก่มากย่ะอยากจะเพิ่มเติมนะะเพิ่มา่แล้วให่แ่แล้วให่แล้วแล้วใหญ่้ สมชายเขไม่เปเนี่ะไอเด็ก่อไยที่เขาปหายโยนมือีักอกาอ่ะ่ใช่า่รักอ่ะใช่อยากจะรู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงสมามาสองสมชาดยเลยจมลายชามาเยียสองชายดยเลยจ้เป็นไรวไม่สมไม่้อล้วกันนะบเ ธรรดาโราณถบอกขอคนณท่ตายหมดีกตัตาย่าตัวตายกินยาตายตัวตายก็บอ่า้บผลตสุก็คือทีมันเกก็เป็นกรรมที่ถ้าเวลาจะตายจิตใจเศร้าหลงก็รบกวนใบกบูมถ้าต่อนจะตายจิตใจผ่องใสถ้าบังเอิญขณะที่ก่อนจตายกดรถชนตายนะจิตใจันถึงขั้นนั้นทุ่บุญอย่างไรป็นหนึ่งตั้งตอนเช้าย่งที่ได้นำไปปีนี้ ตอนเช้านึก้ก่อนอารมณ์นั้นจะทรงตัวมันการเราลบแต่ใจอยู่เป็นอย่างดีที่แม้พนที่รวงไปกอดห้องตามโน่นกันไกลๆทั้งวันเลยทุ่มเลยเลยสาธุพ่อจะลบมีความรู้ึกของผมใจมาเป็นเวลานานแล้วสาคือว่าได้เวายัดสำนัการื่องที่คุณบอกให้ใจในรุกรานผู้แดงทางรถคนตาล้ว ถ้าือว่าไม่เห็นแก่า่หมอก่รัก็รือไม่รักเลยไม่ทราบเขาจะทำยังไงดีขอหลวงพ่อช่วยตีแนงเดอนันยาไปฝึกกรรมฐานติดต่อโดยตรงงานได้จะพบันเองได้พบไนเองได้คนยินเขารักแต่ว่าเราเวลาเขามาหาเราไม่รู้เขามาแสดงตัวเราก็ไม่เห็นครับพูดอะไรไม่ได้ยินก็ไปโทษเขา ตอนนี้อ่ะีรู้ไปทำอะไรเข้าใจมั้งจังหวัดอุไัยอาณาดาวงพระปรเมื่อเดืทนี่แล้วมีิการเดินทางไปจังหวัดคือยายไปพบพระองค์หนึ่งที่อาสงศาดมีลักษณะไว้ยคลึงกับอาหลวงอาณังธารมจุน มานานนวอาลาสงมากแล้วระานที่ไอ้นา่ีก็แก่ท้มดด้วยและมีคนพระสิงหาโพด้วยใูปและกาเทียนขาก็คือว่าลักษณะอาการคล้คึงพระามากอย่างนี้แสดงไ้เห็นว่าพระองค์นี้คงจะมีบุญาัปราณนเมือกับในหลวงลูกาเไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเหมือนก็ต้องเป็นในหลวงโอ ือไมันนี้จริงจิงมันเรื่องเรื่องจริงจริงถ้าเหมือนกันก็ต้องเป็พระเจ้าแันน้ินไม่ได้เป็นพรที่ไม่ได่ไป็นพระเา่นดินเพราะว่าไม่มไมเหมือนโอก็ต่อนีองนี้มีคนมาเล่าไว้แต่ใจมาบ่อยอยางนี้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะหว่าไม่ใช่แล้วนั่นนะต้องเป็นพระเจ้าแผดินหวง่อาป็ู้วีรูายหนึ่งคน ยังพูดไม่ได้เลยหอว่าเป็นโลคทางสมองสามวันหลายคอไล้รักษาไม่หายบมว่าจะถวายลูกให้พี่ลูกพ่อหลวงพ่อตาขวดฝนก็คือว่าเหมือนเดิมลูกก็เลยเกียดแทนไหมว่าถ้าหากว่าเอาถวายหลวงพ่อแล้วมันจะรู้เก่งหลวงพ่อเป็นยังไง กาถวายแล้วพูดได้ไม่ได้ไม่รู้่โธอ้เนมนแก้ไงแล้วเอาดีกว่าบอพ่อสี่องค์ดีกว่าดีกว่าเยอะใจเออมีอะไรก็ปบนบหพ่อสี่องค์ว่าท่านผมนะงานนี้ดีกว่านีกเยอนีก็เป็ป่านะ ท่านนี้ก็บอกว่านเข้าประเทศไปยิงหอยก็ส่งไปส่งมาออาถอนกันแล้วเขาใช้ไม่ได้แต่ไปยี่ยงตวันเขาใช้ไม่ได้ก่อนท้องยามก็ใช้ไม่ได้ค<อ>ือกรรมฐานไปดีต่อไปถามบ้างจดตรงดีกว่าถ้าเราเอาา่เอไปพบท่านนะ้ะบอกว่ามันมีกฎกติกรรมฐานแล้วว่ามีทางใดไอ่ไม่ที่จะหลีเรื่องหรือจะแก่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันมีทางแล้วก็รมานได้ไปสายตรงเลยใหญ่ใกันดีกว่าหลองพ่อจะถา มเอแแต่ก็ไม่ไว้ใจใช่าไม่เชื่อจะไม่ไว้ใจก็แงาเชื่อแง่ไบอกดูเาตายว่าลูกเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ในฐานะลูกป็ลูกขพ่อนาตอลพ่อลูกยอมเชื่อเลยจริงดใหได้ได้แต่เีตที่กที่เมนแ ไม่เชื่ออะไรอย่าง r ี้ไม่เชื่ออะไรเราไม่เชื่อเลยเปลี่ยนลหมอดูที่เขาเก่งๆแลตรงนะท่านเคเียาหมอดูไม่หอรูยอะคงซะหน่อยนะอยากจะอยากจะูทุกอย่างไหล่ะไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเห็นหน้ามันก็แจ่มใสแต่เพราะอยู่ข้างในยังมีมันมองไม่เห็นต้องแก้เสื่อถอดก้าวฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า แต่ที่ข้าพเารียนถามก็คือว่าในเมื่อไปลักษณะที่นนี้แล้วก็หวมพ่อมีคำแนะนำอย่างไรเี่่อทำคุณให้ทานลักษณสิ่ในเรือนของนาโน้นฉันไม่ให้หางพ่อสี่องค์นนท์ตอนนี้นีอะไรล่ะก็อะไรไหมก็อะไรหมเขามีการแก้บนกันทุกวันที่วัดมาตายนะวันกลๆนะแก้บนกันเรื่อยๆเพื่วใหท่านมีผล แต่งานก็ใช้รูปต้อนเหยื่อต้อนอะไรอะไรนะก็้เขาได้โกรธไปที่ภาคสี่องค์เลยเวลาเ้อแค่แค่ายโนก็ไปอ่านตัวก่อนมันก็เขียนมาสีข้อให้เรื่องขข้อตรงนะไม่ต้องมีนิเกร์ลครไม่ต้องมีอะไรอ๋อนตรีมันเปลนะรล่าเ่าเล่าก็ไม่มีความจาเป็นต้องเคลี่ยนะแช่ไหนๆบางคนมาขอทะเบกันข้อนะมีข้อขอตัวก็ขอบนไม่อย่นี้ แก่ไหมครับแก่ก็ไดไม่ตายหรอกโทษเื่อหน้าคนเนี้ยเ <c oughs> แ ก, กันเรื่อยๆทีเนี้ยมันเป็นไรลบได้แต่เราเวลามันลบได้อ้เรื่องราขารไม่เป็นอะไรบนท่านี่นอนก็ได้แต่ว่าอย่าไปจอดจงว่าจะต้องมาถวายที่ตรงนั้นคนน้าช่วยน้นก็ช่วยเือะได้ต่ไม่ใชขอถวายอย่างนี้ ถ้าเวลาเราไปแก้ที่ใดได้อาจาจงสถนที่ต้องไปที่นั่นเต็มแตงไม่ได้ใชนั้มขอแนก็ให้บอกก็ไมนต่อยนะโดยเพราะวลาเขาโดนาม่ว่าตุ้ยตุ้ยตตเลาะแก้ที่ไรครัเวลายู่มั่เลยเลยเลยจะไถามมีน้องพ่ออ่าฆดูด้วยดูด้วยใชบนอะไรไว้บ้าง ไม่ร Vega, isty, ints, ู้บนไป่ใช่เฉพาะเทวมณฑลบนไม่ไหลไลน์ไมอรู <c oughs> devant, ์บนไหนบ้างหนมีหลายรายการนั่นก่อนบนก็ให้หลอของก่อนหน้าตาเจนีก็บอกว่าลูกาขา่อลางสูงยิ่งหือว่าทุกบ้านมีทุกากของพอทุมามาสมมเทพทุกอะไรเทวอะไรต่างๆมีคนก็บอกว่าเออรอเอาระ เจ้าแม่คอินไปูชาบ้าสั่งให้เดินรุ่งเรืองแล้วลูกก็เลยเพิมาจากอะไรวัดราชนาฏาเมื่อนามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีจะตั้งก็เลยก็เป็นผู้หญิงจะซื้อโตใหม่ซืุงาก็ไม่ดีขอให้หลวงพ่อช่วยดีนะวิธีตั้งกคังเจาคไม่ต้องตั้งห้อย คอยคอไว้องคอไปดีเลยครับตัวตัวเล็กเมาเล็กถ้าตั้งนะตัพระพุทธรูปตั้งให้ต่้งกว่าชั้นต่้งกว่าไม่เป็นไรนะก็ถ้าคนอิจริงๆเดิมดีก็เป็นคอิ่นอ้ได้กคนละคนอ๋อก่อน่มไม่เ่าสาวใช ไอ้ฉันก็มาเด้งเก็ดกันไม่เปางก็เป็นคนอิ่มจริงๆนะเดินเป็นพระโพธิษศัตด์ปัตนาเป็นผู้โพธิษศัตด์ตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้หญิงเมื่อต่อมานานๆเข้าใกล้จะบป็ลุกอุเสหสมาธบโยมยานเอาแค่ใกล้นะบารมีเริ่มเป็นบารมีธรรม